ขออนุโมทนากับทุกท่กทานชมรมพุทธธรรมนำทองที่ได้มาร่วมกันฟังธรรมทาความดีในวันนี้โดยปกติแล้วสมัยนี้นี่จะหาคนที่จะมาร่วมฟังธรรมมากมายขนาดนี้หาได้ยากมากเชิญไปพูดที่ไหนคนที่มาเชิญก็ดูคึกคักแต่คนที่มาฟัง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 เอาไปปฏิบัติได้แต่ก่อนอื่นทุกท่านต้องวางจิตวางใจใเป็นกลางกลางให้อยู่รู้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันที่กำลังฟังนี้อย่าปล่อยจิตใจเลื่อนลอยแล้วก็หลับไหลตั้งใจฟังอย่างสบายสบายสิ่งที่จะพูดในวันนี้นี่มันก็เกี่ยวข้องกับคนทุกคนไม่ใช่เรื่องของผมนะ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 ควายควายเนี่ยมันกินหญ้าพอหญ้าหมดแล้วมันก็ไม่นิ่งนะมันก็ยังเคี้ยวไปเรื่อยๆหญ้าหมดแล้วยังเคี้ยวเลยเอาที่ไหนมาเคี้ยวมันก็เอาที่มันเก็บเอาไว้เอามาเคี้ยวเอื้องเอาของเก่าๆมากินมันคนที่ชอบเรื่องอดีตมาคิดมันเจ็บดีมันมีรสชาติเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตมันก็คืออดีต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 เป็นครูที่สอนเราไม่ใช่ว่าครูเนี่ยผิดปรพฤติ <c oughs> ความผิดเนี่มาสอนเราให้เราได้เรียนรู้ถ้าจะคิดคิดเพื่อมาเป็นครูอย่าคิดแล้วให้เป็นทุกเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปสนใจเลยมันเป็นความฝันนะั้นแอะอนาคตมีไหมใครว่าอนาคตมีบ้างยกมือสิโอใครเห็นอนาคตบ้างอนาคตนียังไม่มีนะ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 อยู่อย่างมีความสุขก็รู้อยู่ที่ปัจจุบันไม่แน่นอนนะอย่าเพื่งไปหวังในอนาคตก็อย่างชีวิตผมเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตที่พิการอย่างนี้ชีวิตที่คิดไม่ถึงไอต้องพิการอย่างนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเรียนก็จบได้ทางานในสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เตรียมวาดหวังอนาคตว่าจะต้องบวชให้คุณพ่อคุณแม่มีครอบครัว อ๋มีเงินจะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ในยามที่ท่านแก่เท่าท่านจะได้มีความสุขในบ้านปลายโอ้นี่เป็นความหวังที่มีโอกาสเป็นไปได้เกือบจะสมหวังอยู่แล้ว <c oughs> <g ular> ก็พลาดหวังจนได้เนี่ยเพราะความไม่แน่นอนจึงกล้าอยืนยันได้เลยว่าอนาคตเป็นยังไงอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนทุกมากเมื่อเรามีความหวังแล้วผิดหวังมีหลายคน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 Yeah. ดูก่อนญาติโยมทั้งหลายถ้าไม่สอนว่าดูก่อนคนตายทั้งหลายท่านไม่สอนเพราะฉะนั้นคนอยู่เนี่ยมีโอกาสฟังธรรมแล้วก็มีโอกาสบรรลุธรรมด้วยอยู่ในสภาพใดก็ตามมีโอกาสพัฒนาชีวิตได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วอยู่ดีกว่าตายอย่างน้อยมีคนเห็นอกเห็นใจคนที่รักเราก็มี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 ตกมากเสียศูนย์เลยคิดขึ้นมาทันทีเลยนะความคิดมาก่อนเหตุการณ์ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยนะแต่คิดก่อนเหตุการณ์พุกล่วงหน้านึกภาพตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นตลอดชีวิตจะต้องนอนอยู่บนเตียงแคบแคบไปตลอดชีวิตนึกถึงภาพกเก่าๆที่เราเคยประสบผลสาเร็จมากับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันมาก ตอกย้ำตัวเองให้มันทุกมากยิ่งขึ้นแล้ววิธีคิดแบบเนี้ยมันไม่ได้เคยพัฒนาจิตใจเลยมันเหมือนตอกย้ำให้เราศ่อมหมองมากยิ่งขึ้นนอนคิดมือขวากายหน้าผากคนที่งอนมือกายหน้าผากเนี่ยทุกข์ด้วยมันสุกมือขวากายหน้าผากทุกทางกายเนี่ยรุนแรงมากแต่ทุกทางจิตรุนแรงมากกว่ากายกายมันป่วยมันไข้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 เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นทุกเดี๋ยวนี้ทุกเมื่อก่อนมาหายไปแล้วมันมีทุกใหม่เดี๋ยวทุกใหม่มันก็หายไปนะ เ, เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราไม่ได้มีความทุกซ้ำๆหรอกถึงซ้ำก็ซ้ำคนเรารสชาติไอ้คนหน้าเก่าๆมันทาให้เราเป็นทุกวันนี้นะเดี๋ววันต่อไปมันก็หาทุกใหม่รอใหม่มันไม่ทุกเดนะิมแลมันเปลี่ยนไปพอเราคิดไปทันนองที่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเราสบายขึ้นเหมือนกัน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 ยังผมผ่าตัดแล้วมันก็ไม่หายนะการรักษาถึงที่สุดคือการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะใหม่อย่างผมนี่ไม่มีอวัยวะเทียมแล้วคือกระดูกต้นคอข้อที่ห้านี่หักหมอก็เอากระดูกเชิงกลานเนี่ยเละเาะออมาส่วนหนึ่งเอามาดามกระดูกต้นคอที่หักผ่าตัดสองที่เลยเพื่อให้คอเนี่ยมันติดอยู่กันมันก็ไม่หายเพื่อช่วยการเคลื่อนไหวเนี่ย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 อันนี้ไม่ใช่ภาวนาอันนี้เป็นคําว่าบริกรรมภาวนาคือท um. um. ําให้เจริญภาวนาแปลว่าเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตใครไม่เจริญเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนาชื่อเจริญถ้าคนไม่ทําก็ไม่เจริญเหมือนกันภาวนาไปเจริญเจริญอะไรเจริญสติเนี่ยเจริญสติเพื่อให้จิตมันเจริญให้มันเข้มแข็งเพราะใช้การเจริญสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ย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 ผมมีเอียบทเดียวคืนนอนผมนั่งสมัยก่อนนั่งได้ไม่นา น, นแบบนี้หรอกผมนั่งได้แค่ครึ่งชัมม่วโมงไม่ถึงชัมมม่วโมงผมก็ต้องนอนแล้วสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้นั่งได้นานผมก็นอนปฏิบัตเห็น ไ, ไหมเห็นนอนปฏิบัตไหมมันก็มันก็จะหลับไปนะทุกคนเพราะว่านอนปฏิบัติทำโอสบายเลยบางคนเขานั่งสมาธิกันเดี๋ยวฉันขอไปนอนทําสมาธิทุกคนเลือกได้ นอนนั่งยืนเดินได้สีิรอียบถเลยบางคนถนัดนั่งบางคนถนัดเดินบางคนถนัดนอนแต่ว่าเรื่องเอียบอดนอนเนี่ยครูบาอาจารย์จะไม่แนะนำหล้วเพราะมันใกล้กับความง่วงแต่ผมนี่มันเลือกไม่ได้จะเป็นต้องนอนปฏิบัตินอนเจริญสตินอนยังไงนอนเจริญสติ เคยทำเหมือนการหลับตาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำหลับตาด้วยนอนด้วยโอ้มันก็หลับไหลไปเลยนิ่ฟานตอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมทำไม่ได้แล้วผมแต่ว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนวิธีการจารสติแบบเคลื่อนไหวในแนวหลวงพ่อเทียน หลวงพ่าเทียนนีเขยยกให้เป็นปรมาจารย์แห่งการเจริญสติซึ่งมรณาภาพไปแล้วหลวงพ่อคำเขียนเป็นลูกศิษย์ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิเขียนจดหมายติดต่อกท่านถ้าก็แนะนำให้เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในอิริยาบถนอนนอนพลิกมือเล่นเห็ยนไหมการเจริญสติแบบพลิกมือเนี่ยพลิกมือหงายรู้สึกตัว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 การเจริญสติเนี่ยปกิจิตมันตื่นรู้ตื่นรู้เมื่อตื่นรู้จะเกิดปัญญาสงบเฉยเฉยนี่ไม่เกิดปัญญานะต้องตื่นรู้เมื่อเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะได้สมาธิด้วยสมาธิจะมาหลังจากมีสติเราเคยทําสมาธิไหมโอ้ต่อไปเราทําสมาธิการทำสมาธินี่ต้องตั้งท่าไหมต้องตั้งหลักของจิตใช่ไหมไอการตั้งหลักเริ่มต้นเนี่ยคือสติเขาให้ทําก่อน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 รูปคือกายนามคือจิตใจรูปมีหน้าที่เคลื่อนไหวรูปไม่รู้อะไรนะไอที่รู้คือนม้มรูปมันทื่อเนี่ยเป็นธาต ร, รับใช้นา้านามเป็นผู้ใช้รูปให้เดินคนตายในมีน้ำไหมไม่มีมีแต่รูปคนตายจริงไม่เดินไงไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยเอาไม้ไปกระแทกตาคนตายก็ไม่โกรธ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 ค อ, อนว่าไอ้ น, นี่เป็นเราใครมาด่าไม่ได้เราต้องดีเราต้องเหนือมันจะไม่มีเราลวขั้นเนี้ยมันเริ่มผ่อนคลายจากความทุกข์เราแก่เราอ้วนก็จะไม่มีเราไม่สวยเรามีคํามันจะไม่เกิดขึ้นเลยอ๋อนี่เป็นเรื่องของรูปของนามเขาแล้วมันจะเรียนรู้ได้การเรียนรู้จากรูปที่มันแสดงรูปนี่มันจะมีความทุกข์แลมีความสุขเรียนรู้ไปด้วยกันเลยรูปนี่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 เพียงแค่กระดูกหักใส่เฟือกเนี่ยโหเครียดมากนอนอยู่บนเตียงหนึ่งวันเนี่ยอืไปไหนไม่ได้จะร่วง น, นี่เป็นทุกข์มากการหายใจเข้าการหายใจออกคือการแก้ทุกร้อนเกินไปก็ทุกเย็นเกินไปก็ทุกนอนร้อนก็หนาวเข้าวมนนี้ก็ไม่หนาวนะ <c oughs> หลายคนอบกุ่ในใส่สวมหมวกใส่เสื้อ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 ระบบการไหลเวีินดนี้ไม่ดีส่วนล่างนี่จะมีอาการดำๆเลือดไม่ค่อยเดินระบบขับถ่ายก็ไม่ดีถ่ายต้องใช้ ย, ยาส่วนต้องมีคนช่วยระบบการย่อยอาหารก็ไม่ดีทานอะไรไปก็อืดทุกระบบเสียหมดเลยอย่างเงี้ยทุกมากแล้วก็การรับควารู้สึกเซลล์ประสาทมันถูกทําลายไปนั่นหางคนที่นั่งแล้วรู้สึกเมื่อยปวดเนี่ยดีละดีละตุละตุล่ะ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 มันเป็นทุกข์ของรูปแต่ไม่ทุกข์ของเราไม่ทุกข์ของเราเนี่ยพอจเจริญติ่แล้วมันดูไม่ไม่ใช่เรานะเป็นเรื่องของรูปเหมือนดูคนอื่นเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เหมือนจะดิธํามเนี่ยเห็นผมเป็นคนพิการใช่ไหมใหม่ๆก็ทํำท่าจะพิการเหมือนผมพอดูหน้าแล้วบางคนกังวลต้องขอบคุณนะที่เป็นทุกข์แทนผมอะ่ะแต่ตอนนี้นี่หลายคนนี่โอส้สดชื่นมากพราะรู้ว่า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 อีกต้องหลายขันต้องแบกเอาไว้ในจิตใจใช่ไมแต่ถ้าเรามีความรู้สตัวตัวนี้แล้วเกิดปัญญาแล้วไม่ต้องแบกสักขันหนึ่งแต่ช่วยับเหมือนสามีภรรยายอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันมากเธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันทุกข์ด้ว ย, ว ย, วยต้องเปลี่ยนใหม่นะผู้ที่มีปัญญาเธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์ด้วยแต่ฉัน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 เหมือนเขาอยู่ในถ้าก็ย่อมไม่เห็นถ้าจิตคือผู้รู้ถ้าใครเห็นจิตที่มันคิดเนี่ยเท่ากับเห็นต้นทางของมริพานเพราะว่าความคิดเนี่ยเป็นต้นต่อของความทุกข์เพราะอะไรเพราะความคิดเนี่ยมันนำเอาอะไรมาสู่จิตใจเราราคะโทสะโมหกิเลส ต, ต่างๆ มากับความคิดตรงนั้นพบชาติก็ามาจากความคิดถ้าเราโกรธโอ้นี่โกรธเนี่สัตว์นรกนี่เรากรบเมื่อไหเรากลายเป็นสัตว์นรกทันทีเลยถ้าเราโลภโอ้นี่มันเป็นเปรตถ้าเราโลภอยากได้ไม่สิสุดนี่ยเราเกิดเป็นเปรตแล้วเรากลัวจิ้งจกกลัวตุกแกกลัวไม่เรียกกลัวอะไรแต่มีกลัวก็แล้วกันนั่นเราเป็นอสุรกาย อ ส, สุระแปลว่าความไม่กล้าถ้าสุราแล้วก็กล้าเห็นป่ะคนดื่มสุราจึงกล้าอะาหาเราไปตีเขาหน่อยถ้าเราโง่หลงงมงายคือสัตว์ดิลจารถ้าเราทำบุญให้ทานโอ้นี่เป็นมนุษย์ถ้าเรารู้จักอายชั่วกลัวบาปในะจิตใจโอ้เป็นเทวดาภพชาติเกิดจากความคิดถ้าไม่คิดสิ่ ง, งนี้ไม่เกิดขึ้นเลยกรรม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 อันนี้เป็นจะบอกว่าความคิดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นทุกวันเนี่ยเราเป็นผู้ที่ใช้ความคิดหรือความคิดใช้เราเรามีกายมีจิตก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยไม่ได้เคยเป็นเจ้าของเลยถูกความคิดเป็นเจ้าของหมดเพราะเราขาดสติเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราขาดสติพอขาดสติแล้วเนี่เราเข้าไปอยู่ในความคิดเลยแล้วก็ทาตามความคิดเนี่ยเาเรียก ตกกระแสความคิดแหละทําตามความคิดพูดตามความคิดบาทีก็ เ, เสียใจโอ้เราไม่น่าทำอะไรนี้เราไม่น่าพูดไปเลยคําพูดเพียงคําเดียวทําให้คนนั้นเศร้าหมองไปตลอดชีวิตเลยพะเราขาดสติพูดตามความคิดพูดตามอารมณ์เราเพราะรู้ไม่ทันที่บอกว่าบางทีอยากรู้นะว่าเราคิดเอย่ากจะออกจากความคิด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 เรื่องที่บ้านบุ่นวาเอามาที่ทํางานมาเผื่อแผ่เพื่อนเขาเรียกติดอารมณ์ติดอารมณ์เหมือนใจติดคุกกันล่ะออกไม่ได้เพราะคิดติไลมันก็ลากความคิดลากจิตลากใจไปเพราะว่าสติน้อยความคิดรุนแรงสติน้อยเราจะต้องมาจดสติมากๆนี่เห็นความคิดเห็นจิตเลยนะเนี่ยสติพาไปเห็นจิตต้นตอของความทุกข์ คือความคิดนี่เองเนี่ยความยึดมั่นหรือมั่นไม่ใช่ลังเกียจไม่ใช่ห้ามแต่ให้รู้ทันเนาการจริติเป็นการเรียนรู้ชีวิตท้งนัน้รู้กายรู้ใจเราอย่าไปห้ามมันเพียงแต่จริตสติมากๆเพราะสติมากเนี่ยความคิดมันจะลดน้อยลงไปเองไม่ต้องไปไล่ความมืดเปิดไฟเท่านั้นเองความมืดมันก็หายไปเรีมมกยกว่าอะไรสว่างมามืดไป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 ไม่ได้หวังว่าเขาจะเอาไปใช้ไม่ได้หวังวเขาจะตั้งใจฟังแต่เรามีหน้าที่พูดก็พูดเถอะแต่เขาเป็นหน้าที่ฟังมันเลือกของเขาเห็นี่ปะประโยชน์ของเราคือทําแล้วให้เขาได้รับประโยชน์แล้วเราเองก็ได้รับประโยชน์ด้วยเมื่อเลยเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานแบบนี้ญาติธรรมก็เหมือนกันผมเองนี่พูดธรรมะขั้งที่สามแต่ก่อนนั้นก็ปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็เริ่มพูดธรรมะขั้นที่สาม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 เรามั่นใจเนี่ยเราทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรเข็นรถเข้ามาโอ้เด็กพอเห็นผลปับ๊บถอยหลังไปเลยออกห่างๆพูดวันเอ็ดโลกคนที่มามาพูดนี่นา่ากลัวจะเป็นเอด็ดถอยหลังไปสามช่วงคนเราก็รู้แล้วอ๋อเด็กถอยหลังอ๋อนา้ากลัวเด็กเขากลัวเราจะไปชนเขาเราก็นั่งกยพอเริ่มพูดเนี่ย แล้วก็บอกว่าความเป็นมาของผมนี่เป็นอย่างไรนพิการเกิดจากอะไรก็เออไม่ใช่เอศเนี่ยขยับเข้ามาอีกนะฮะพอพูดไปพูดมาคนพิการอย่างผมเนี่ยขับถ่ายไม่รู้สึกหรอกนึกจะปัสสาวะก็ปัสสาวะอุจลาร์อุจลาจ ร, ารา์มาทันทีเลยถอยหลังไปอา่าพอพูดมาตอนสักยี่สิบนาทีเนี่ยา ก, การจริตสติเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหว เป็นการฝึกจิตให้รู้พอจิตรู้แล้วมันจะเรียนเก่งขยับขึ้นหมอยู่แค่สองครั้งสามครั้งพอเลยนาทีที่ยี่สิบตันเองให้ฝึกฝึกครึ่งชงั่วโมงจะเข้าสู่การปฏิบัติเริ่มมีธรรมะแล้วเอาล่ะเด็กเริ่มสแสดงนิตายเด็กออกมานะแย่ yeah, การเล่นกัมทีมีนกร่อนผมก็พูดไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราเนี่ยหน้าที่ฟังคือเขาหน้าที่เราคือพูด พูดไปจนจบจบแล้วก็อวยพรเสร็จเด็กข้างหน้าสาทุข้างหลังตบมือ <S <S โหได้สองคะนเลยคะนาคะแสาธุขข้างหลังปลบมือพูดจบก็เข็นรถไปคุณครูออกมาตอบทันทีเลยต่อว่าเด็กครูเนี่ยเสียหน้ามาพวกเธอทาให้ครูเสียหน้ามาวิทยากรมาด้วยความลำบากยกขึ้นมาชั้นสองต้องอุ้มขึ้นมาต้องแบกขึ้นมา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 ถ้าประกันชีวิตด้วยธรรมะย่อมชนะความทุกข์ทางปวงเนี่ยผมคนพิการนะนําเสนอนะแต่ไม่ได้ขายปกติแล้วคนพิการเนี่ยไปทําประกันที่ไหนนะเขาไม่รับหรอกแต่พุทธบริษัทเนี่ยรับและรับทุกคนด้วยสนใจไหมอย่ารอให้พิการอย่างผมแลกก่อนแล้วใครปฏิบัติธรรมนะเรามีโอกาสแล้ว